สามจุดหนึ่งสองภาวนาอยู่กับปัจจุบันวงเล็บเปิดยี่สิบสามมีนาคมสองพันห้า้อห้าสิบเอ็ดจุดจุดนาทียี่สิบเจ็ดวงเล็บปิดยากนะถ้าสมมติว่าเด็กปสี่คิดว่าจะต้องเอ t ท a n น e ์ให้ได้แต่ถ้าเราไม่คิดมากเราก็เรียนของเราไปเรื่อยไปถึงวันหนึ่งก็เอนทร n น e ์ได้ไม่ยากการปฏิบัติก็เหมือนกันนะถ้าคิดว่าทำอย่างไรจะข้ามภพข้ามชาตินี่ยากแต่ถ้าจเจริญสติไปวันต่อวัน ไม่ต้องคิดถึงว่าจะได้อะไรเมื่อใดอยู่กับปัจจุบันไปแล้วไม่ยากหรอกจิตมันพัฒนาเป็นลำดับลำดับไป